เรามารวมตัวกันตั้งแต่เิญมันตอนเช้า <c oughs> ตอนนี้เราก็สลัดสลัดความงมงเอาเอานอนนะั่นนะ ออกประจิตใจของลอยหมดเลยปลุกให้ตื่นจิตของเรานะีปลุกปลุกปลุกปลุกมันให้ตื่นกระตุนให้งนพลจากความหลับไหลภาษาธรรมมากเลยวิมุตวิมุตหลุดพลให้มันเกิดตัว สติมรู้กายเตือนกายสติรู้ใจเตืนใจเตือนมันเตือนมันก็เห็นอะไรชัดเจนที่ว่าอะไรคือทุกข์นั่นนะเห็นกายเห็นใจเห็นเหการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมันชัดเจนมันรวมหูรวมตามันก็เห็นเห็นตัวเองแล้ว่า คนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นบุคคลอื่นก็จะทำให้เราทุกข์ตัว เ, เองไม่มีสติไม่มีตาในไม่ได้ตื่นดูมันก็เลยไม่ได้เห็นนะตัวเองทาไม่ตัวเองเป็นทุกข์มันก็จริงอยู่มีผู้อื่น บุคคลอื่นวัตถุอื่นทำให้เราทุกข์อากาศร้อนทำให้เราทุกข์แต่ว่ามีทุกข์ก็ได้นักฟุตบอลเตะฟุตบอลกันสนามก็ม่ทุกข์นะสนุกดีหรือว่าหลายคนอากาศร้อน ก็ยังมีความสุขอยู่อากาศร้อนแด้แม่กลัวอยู่หน้าเตาไฟาทำงานยังมีความสุขไฟมันก็ร้อนชาวนาดันนายัางมีความสุขชาวไร่ชาวสวนทำงานทำการลนบะลืมเหน็ดลืมเหนื่อยไปเลยอันนี้มันก็มีเหมือนกัน เราเคยแก้อาการต่างๆในตัวเราโดยการกบเกลื่อนไปก่อนตาดูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้มเลิมรสเอามาเป็นสุขเป็นทุกขนะ์ตอนนี้เรามาวัดป่าสุตโตแล้วก็มาเจริญสติกัน อันมีวิชากรรมฐานมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวที่เราผลิตขึ้นมาจากการเดินยุงกลมหรือการเคลื่อนการไหวแต่ละขณนนะอันนั้นเป็นการปลุกจิตให้ตื่นกระตาสติตาปัญญาขึ้นมามรืมหรูรวมตาเมื่อเห็นตัวเองชัดว่าเอออาการต่างๆ ที่มัมีที่กายที่ใจของเราไม่ต้องเอามาเป็นสุเป็นทุกข์ก็ได้มันก็เป็นการเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่มากระทบไม่อย่างถูกต้องต่อไปฝึกม า, ารเริ่มต้นที่การเคลื่อนการไหวรู้สึกตัวขนาดนี้ก็ตามกระทบสัมผัสรู้สึก มันจะกลับมาดูตัวเองเห็นตัวเองอาการมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปมันบังคับบัญชาไม่ได้จริงๆทั้งร่างกายและจิตใจของเราร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปต้องมีปฎิยาการต่างๆต้องหิวต้องกัดแต่ต้องร้อนต้องหนาว มีบากกรรมาร่างกายของเรามันมีบากด้วยมันเป็นก้อนทุกข์มันจะแสดงอาการให้เราได้เห็นทั้งวันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปจิตใจก็เหมือนกันเกิดแบบเกิดแบบจากหยาบหาละเอียดเลยความคิดแบบยาบหยาบทีก็ได้ด่งใจไม่ได้ด่งใจ มันมีปฏิยาการเกิดมาในรูปรอยของความคิดความโลภความเกลีดความหลงอารมณ์บวกบวกลบๆมันเกิดเป็นอาการอยู่ในรูปรอยของความคิดซึ่งเป็นสมมติฐานของความทุกข์คิดเป็นก็มนไม่เป็นทุกข์คิดไม่เป็นมันก็ทุกข์ตลอดคิดแบบไม่มีปัญญาสร้างปัญหา ทีเบียเบียนตัวเองยินเล่าสุบูลีไม่หลับไม่นอนทําอะไรก็รู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยต่อใายต่อใจคิดพูดทําทําด้วยความหลงเนี่ยเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะได้เห็นความคิดที่เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเมื่อเราเฝ้าดูเราเห็นความจริง เป็นลักษณะของศาสนาที่ต้องทาศาสนาที่ต้องทำการเข้าถึงธรรมเนี่ยต้องมีการกระทำปฏิบัติตองลงไปเป็นภาวปฏิบัติจริงๆได้ยินได้ฟังน้อมก็มามีการกระทำลงไปมีการปฏิบัติธรรมลงไปจริงๆในวัดป่าโสตโตใช้การปฏิบัตินำเรกวกรรมมัดฐาน เริ่มต้นที่มันง่ายๆซะก่อนวัตถุรูปธรรมห ย, ยาบๆไกลของเราดุนก้อนให้มันเดินดุลก้ให้มันสร้างชังหวะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวมันเคยเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้สึกตัวเคลื่อนไหวไปตามสัญญาต ย, ยานตอนนี้เราให้มันเคลื่อนไหวมีสติแล้วก็คิดมีสติแล้วก็คิดแล้วก็พูดมีสติแล้วก็คิดแล้วก็ทำ มีสติมันเคลื่อนไหวทมประโยชน์เราได้เห็นกันในะที่เราสั่งมันลายที่นี้คือสติการเลรืกรู้เจตนากระทาเรียกว่ากรรมาฐานบันเพนเดือนหขึ้นส5บห้าข้ามยามสามเปรละกาบันพุทธมันเป็นก็คือพระจันทร์เต็มดวง มันขึ้นห้าขัมันเต็มที่นะสว่างสวยประจันมันเป็นยามสามก็คือตอนนี้แหละตีสามหโมงเช้าระหว่างนี้ยามสามปีละกาวันพุธสองพัน ป, ปีมาแล้วชาวพุทธไทยนะรู้ว่าในโลกนี้หลายคนก็เชื่อกันว่าเจ้าชายสิทธามีตัวตน มีตัวตนจริงๆประเทศอินเดียก็ยังมีร่องรอยประสูติรอยต่อของเนปาลเมืองก บ, บิลพัแต่แล้วว่ามีความทุกข์เห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตาย้ เรกวาการแก่การเจ็บการตายแล้วก็สมณนาเรียกว่ า, า เ, เทวทูตเห็นแล้วน้องก็มาใส่ตัวเออเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะจุดหมายปลายทางชีวิตก็คือตายก็เลยออกรับปิดชอบแสวงหาโมกะธรรมวิจัยทำงานวิจัยหาว่า มันมีการเกิดไม่เกิดมันก็น่าจะมีมีการแก่การไม่แก่มันก็น่าจะมี ม, ะ ม, ะ ม, ะ ม, มีความเจ็บความไม่เจ็บก็น่าจะมีมีความตายความตายที่มันเคยทุกข์ทรมานกันนะ่ะบาดวันกลัวเัน่อนาจะผ่านได้มีการพัดแพร่จากของรักของชอบใจที่เมื่อกี้เราสวดกันนะนะปรารถนาสิงใดไม่ได้สิ่งนั้นครับอกครับใจ ที่มันเคยเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่เป็นทุกข์มันก็น่าจะได้คิดแบบตรงกันข้ามเดี๋ยวเราก็เห็นว่าเออมันมีหรือสีชีภยัยมีสมณะผู้สงบพยายามที่สแสวงหาวิชาพ้นทุกข์กันเราก็น่าจะไปสแสวงหาเขาด้วย ทำวิจัยจนกระทั่งมีความสําเร็จก็คือดูกายดูใจเห็นกา ย, กายเห็นใจทางความเป็นจริงในเว่าความทุกข์ที่มเกิดจากความคิดเห็นจริงๆเห็นยันรู้สมิฐานอ๋อความทุกข์มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้วิธีทําให้เกิดทุกข์ก็คือมันชอบหลงเผลอเข้าไปความคิดจึงเป็น พ่อของมารความคิดมันเป็นพ่อของความทุกข์ถ้าคิดไม่เป็นหลงคิดด้วยความหลงยังไงมันก็ทุกข์หลงเป็นเปรตเป็นสัตวรกเป็นอาสุรกายเป็นเดรัจฉานคิดแบบอคติก็เป็นเดรัจฉานคิดแบบอยากโลภมากก็เป็นเปรตคิดแบบหงุดหงิดโมโหโธ่โสเป็นสัตว์นรก คิดลก้กลัวสะดงวัดผวาปั่มาเสี่ยวสานหลังคิดแล้วก็ล้อมลุ่มขี้ขาดตาขาวเนี่ยก็เป็นกลุ่มของอสุรกายคิดแบบใจดีก็เป็นเตวดาคิดแบบเมตตาก็เป็นพรหม <c oughs> บางคิดดีขนาดไหนแวบๆก็ไปลบรอยความคิดตล่ก็ไปคือทุกข์ เป็นบัตตาสงสารต้องเวียนว่ายตายเกิดนะในเพราะในสมองในความคิดในย้ำคิดย้ำทำหมกมุน่นบุกผลมากเรื่องเดิมคิดแล้วคิดอีกรักแล้วลักอีกโกดแล้วกดอีกมันเลยเป็นพบเป็นภูมิก็เห็นว่าพยาบาลตัวนี้มันมีอยู่ในตัวเราเหมือนเราที่สุด ความคิดี่เหมือนเราที่สุดเราเชื่อเขามากที่สุดพอเห็นก็ว่าโอ้ประทานลักษณะที่ว่าเกิดความอาศัศจรรย์ใจขึ้นมาธรรมาชาติประทานพรมันยิ่งใหญ่ขึ้นมเกิดความฉลาดเห็นธรรมาชาติ เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงวัตถุรูปธรรมมันก็มีนมามธรรมด้วยตัวชีวิตของเรามีกายมีใจมันก็เป็นความบริสุทธิ์นะแต่ว่าถ้าหลงเผลอ้าไปมันไม่บริสุทธิ์แต่ถ้ารู้อยู่มีสติดูอยู่เห็นอยู่เป็นความบริสุทธิ์ธาตุขันธ์ต่างๆเป็นความบริสุทธิ์ ความคิดเป็นความบริสุทธิ์เหมือนกันเป็นธรรมชาติตัวหนึ่งเป็นอาการของจิตเรียกว่ามาโนทวารจิตนี้มีหน้าที่คิดตรงๆแต่ว่าเราไม่รู้จักมันไม่เห็นมันเราก็เลยหลงก็ไปนในความคิดเป็นประจำปุถุชนคนทั่วไปนะี่คือคนที่หลงหลงก็ไปนในความคิด แต่ผู้ที่ฝึกสติจเจริญสติจะเห็นความคิดจะมีสภาวะของผู้ดูสภาวะของจิตที่เป็นปกติเป็นผลจากการฝึกหัดปฏิบัติอย่างชํานาญเกิดเรื่มหูเรื่มตาขึ้นมาตาเนื้อเราเห็นกันแต่ตาในมันเห็นตัวเองมันเห็นหน้าการของตัวเองตั้งหัวเจรดเท้า ร่างกายนั่งจิตใจมันก็นั่งอยู่ด้วยร่างกายเดินจิตใจมันก็เดินอยู่ด้วยร่างกายอยู่ที่ไหนจิตใจก็อยู่ที่นั่นอันนี้คนที่ฝึกสติอยู่มันจะเห็นอย่างนี้แต่ถ้าคนไม่ฝึกสติร่างกายนั่งอยู่นี่แต่จิตใจไปไหนไม่รู้บางทีก็กลับบ้านบางีก็ห่วงงานบางทีก็ห่วงทรัพย์ มันดีก็ห่วงการใช้ชีวิตห่วงการศึกษาห่วงอีกมากมายละเกินที่มันไม่รู้เนืรู้ตัวอยู่ขระดาษนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เราก็ฝึกมันให้มันเคลื่อนไปรู้สึกกระทบสัมผัสรู้สึกเรียกวกรรมมรฐานผูกจิตผูกใจของเราที่มันเคยเป็นสัมภเวสีเล่ล่อนคิดอะไรก็ได้ให้มันเป็นที่เป็นทาง เรียกว่าเจริญสติมันก็จะมีฐาน4ฐานใหญ่ๆให้สติมันโคจรให้จิตใจมันอยู่เป็นหลักเป็นแหลงฐานที่1ก็คือเห็นกายกายญ า, า, า, านุปจนสี่ฐานเห็นกายเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายในกายก็คือมีความรู้สึกตัว ไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามันมีกายในกายการเกง่งการคลายการเคลื่อนการไหวกระทบสัมผัสรู้สึกทุกครั้งที่ดุลก้อนมันเคลื่อนไหวมันเป็นกายในกายมันมีสุขมีทุกข์ร่างกายของเรามีสัญญาณภายัยสัญญาณชีพต้องมีลมหายใจเข้าเข้าออกออก มีาการสุขสขทุกๆแสดงออกมาภาษาธรรมะเรียกว่าเวทนาบางทีมก็สุขบางทีก็ทุกนั่งนานนเนี่ยมันเจ็บปวดเมื่อยแสดงออกมาอากาศหนาวหนาร้อนร้อนยังมากระทบสัมผัสก็แสดงออกมาเป็นสุขเป็นทุกบางทีก็ไม่สุขไม่ทุกรู้สึกธรรมดาธรรมดาเป็นปกติ เราเห็นเวทนาในเวทนาไม่แยกตัวตนบุคคลเราเขาฐานที่สองเนี่ยจิตใจของเราก็มีเหมือนกันสุขสุขทุกทุกใครสุขใจมันก็สุขใครทุกใจมันก็ทุกแต่คนที่ฝึกเจริญสติปัฐานเจนอาการเหล่านั้นเอาเป็นปัญญามาด่าวเป็นความสุขมาด่าวเป็นความทุกข์เห็นแล้วเอามาเป็นปัญญา เห็นก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปเห็นก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปเป็นธรรมชาติของเขาบริสุทธิ์บริสุทธิ์เวทนานก ป, ปัสนาสตรีปฐานมาดูกายก็ต้องเห็นอาการของกายเมื่อดูจิตก็ต้องเห็นอาการของจิตเห็นการเคลื่อนการไหวของกายของจิตยิ่งเราเจตนาเคลื่อนมือในเห็นชัดๆเลยนะมันไม่สุขไม่ทุกข์ ความรู้สึกที่ลรผลิตขึ้นมาตัวนี้มันเป็นตัวกลางมันทําให้เกิดความวิธามระหว่างกายกับจิตทุกกายไม่ต้องถึงจิตก็ได้กายปวดใจไม่ปวดมันก็มีร่างกายร้อนจิตใจที่มันยังเย็นอยู่นะปกติอยู่มันก็มีเรื่องของจิตใจนะก็ไม่เบียดเบียนร่างกายบางทีมันเบียดเบียนกันเช่นเมื่อคนะืนบางคนอาจจะนอนไม่หลับนะเบียดเบียนกันแล้ว คิดมากแปลกที่ภายให้ร่างกายเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนอนะไรเบียดเปลี่ยนกันบางที่จิตใจเรามีปัญหาเครียดเงี้ยเราไปรับประทานอาหารยังต้องเกิดลบไปให้เจ็บอีกมากมายแสกซ้อนขึ้นมามนะันเบียดเปลี่ยนกันอยู่มันมีสติมันก็แยกกันอยูนะ่ทุกกายไม่ต้องถึงใจทุกใจ ก็ไม่ต้องเบียดเบียนกายยุติธรรมต่อมาคือจิตาตานุปัสสนาสิบฐานคือการเห็นจิตจิตไม่มีตัวตนนะแต่มีอาการการเคลื่อนการไหวของจิตมันเป็นอาการของจิตจิตเดิมแท้มันปกติอยู่พระพัฒสอนผ่องใสมันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ที่มันไม่ได้ทําให้เราสุขหรือทุกข์แต่ว่าตัวชีวิตมันต้องมีกายมีจิตชีวิตของผู้ที่ฝึกสติกายก็ไม่ได้เป็นสุขใจก็ไม่ได้เป็นสุขกายก็ไม่ได้เป็นทุกข์ใจก็ไม่ได้เป็นทุกข์มันก็เห็นอาการของจิตนี่แหละมีอาการรับใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะมีหน้าที่รับใช้โดยตรงนะ อันนี้จิตมันเป็นนามธรรมันไม่มีตัวตนเวลาเราทุกข์ใจเราไม่ทันมันมันก็จะมีอาการที่เป็นสมมุติบัญญัติมากมายแล้วก็ในจิตของเราวิธีคิดต่างๆคิดให้สุขคิดให้ทุกข์มื่อเราฝึกสติเราก็จะได้เห็นจิตมันคิดเก่งแลว้วก็ความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดนะทั้งวันมันคิดเยอะจริงๆแต่ที่ตั้งใจน น, น้อยมาก ในวิาสานะจับอาการของจิตที่คิดเนี่ยได้วันไม่น้อยกว่าหกหมื่นเรื่องสมองเราคิดเก่งจดจำอะไรไว้ได้มากมายทำดีก็ทับเอาไว้ทำไม่ดีประทับเอาไว้มันก็เลยเป็นพลังงานของวิบากรรมนะแสดงออกมาให้เราได้สุขสุขทุกๆ ท, ท, ทั้งทั้งยังก็ผ่านมาแล้ว มันไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงเฉพาะหน้าขณะนี้ขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เวลานี้มันก็จะไหลไปจิตของเราแล้วมันจะไหลลงสู่ที่เสื่อมที่เรียกว่าอบายภูมิคิดเป็นเปรตคิดเป็นสนันนิชคิดเป็นนาสุรกายคิดเป็นเดรัจฉานจะเรารู้สึกว่าเออไม่เป็นตัวของตัวเอง แล้วก็โมโหตัวเองหงุดงิดตัวเองมันคิดทําไมมันคิดทําไมบางคนก็เลยคิดจนกลุ้มอกกลุ้มใจไปกินเหล้าเผากลุ้มเพื่อไม่ให้สมองมันคิดไม่ให้จิตใจมันทุกข์ทุกข์ก็กบเกลื่อนไปกินเหล้าซูพลีไปเที่ยวหาของอรอ่ อ, รอยๆกินมาเนี่ยคิดว่าทำแล้วจะมีความสุขยิ่งทำมันก็ยิ่งติดลึกนะ เป็นความทุกข์ละเรียดลงเอียดล ง, ลดลงหมดเงินหมดทองพอเราไม่เห็นนะอจิตมันคิดแต่พอกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวนวิชากรรมฐานนี่มันช่วยได้เบื้องต้นเลยพ อ, อยเห็นจิตใจของเราเมันเป็นนามธรรมที่สามารถสัมผัสได้เมื่อลงมือกระทำกรรมฐานวิชากรรมฐาน เราจะรู้ว่าแจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นคือเรื่องตัวเราเคยเห็นออกไปนอกตัวเห็นวัตถุน 1, 2, 3, ึบุคคลหนึ่งสอสัมผัสได้ทางตาหูหจมวิ้นกลกายใจตอนนี้เรามาสัมผัสกับตัวเองเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเอาจิตเอาใจกลับมาเรียกว่าปฏิบัติธรรม เพราะนั้นการเห็นจิตมันต้องเห็นจิตในจิตไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่เป็นเราเป็นเขาว่ามันหลงหลงกไปยึดไปถือเป็นอุปทานพยานยาเขาออกไปยึดเป็นตันหามอเห็นตันหาอุปทานเกรพันห้าตันหาร้อยแปดมันอยู่ในความคิดนั่นแะ เห็นธรรมในธรรมไม่ใช่ศัตรูตนบุคคลเราเขาเห็นธรรมธรรมชาติมีสติดูอยู่เห็นอยู่มอเห็นธรรมชาติเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นกุศลธรรมอาคุศลธรรมตาก็เห็นรูปกระทบรูปหูก็ฟังเสียงกระทบเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้มรสกายสัมบัติ สมองนี่คือเปลือมแต่งไปจิตใจของเรามันก็หลงทำหลงไปในทำอยู่ก็สุก็ติดสุกหลงสุกหลงพ่อหลงแม่หลงเลยลืมหลงลืมหลงไหลหลงตัวหลงรู้หลงว่าพอแล้ว หลงเหลือหลงว่าเหลือพอมีมากแล้วต่ำกระสานกอกหม้อหลงว่าสวยหลงว่ารวยยังไม่มีเลยหลงบารู้ยังไม่รู้เลยไอ้ที่รู้นนีด้เดียวเราจะมาปลุกให้มันรู้แจ้งโลกไปเลยรู้สรรพสัตว์สรรพสิ่งรู้รอบกองสังขารเป็นตัวปัญญา รู้ตื่นเบิกบานเมื่อก่อนมันรู้แล้วมันสะดุง้งวัดนว า, วาเสียวสันหลังรู้แล้วตกใจรู้แล้วมีความทุกข์ตามมาอีกมากมายหลงผัวลืมพ่อหลงเมียลืมแม่หลงงานหลงการหลงอำนาจจนเป็นวัวลืมตีนง่าย ม, มีตัวหลง ทำให้เรานะีมันก็ว่าเดินผิดทิศ ป, ปิดทางพอเรามาฝึกมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวลอยได้เห็นโอ้ชีวิตของเรามันพึ่งได้เลยว่าตัวเองพึ่งตัวเองเลยว่าอาตาหิอตโนนาโถเป็นวิชาพึ่งตัวเองวิงชากรรมาฐานมีกายก็พึ่งใจกายได้มีใจก็พึ่งใจได้มีกายมีใจเป็นตัวชีวิตก็ยิ่งพึ่งได้เลยว่าชีวิตมนุษย์พึ่งได้ ใช้กายใช้ใจนะภัยถอยเป็นพวงแพร่ขามสู่ฝั่งของพระนิพพานมันเป็นที่พึ่งให้เราสูงสุดเลยเมื่อก่อนเราต้องพึ่งคนนั้นคนนี้คนนู้นพอฝึกกรรมฐ า, านแล้วมัพึ่งตัวเองได้อยู่กับธรรมชาตินี่แหละตามมีตามได้มีความพออกพอใจในชีวิตของตนของตนหยุดความอยากสิ้นความเสพ รั้สึกความอยู่ง่ายขึ้นอยู่ไปวันวันเหมือนกับผ่านไปไวมากนะชีวิตกับกรรมฐานนะแป๊บแป๊หมดวันแป๊บป๊หมดวันนะมันไม่เหมือนกับมีความทุกขนะ์นานเหลือเกินจะผ่านไปห้านาทีสิบนาทีมันนานมากตอนนั้นเนี่ยเรามาวัดเรากวัดแหละ จิตใจเราปกติไม่ปกติรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวนะวัดได้ทันทีอันนี้เป็นศาสนาธรรมที่เราจะต้องทำกันเมื่อทำถึงมันก็ถึงทำเมื่อเจริญสติสติมันก็จเจริญในสติมีสัมญัส ม, ญญมีปัญญาจะรู้ว่ามีสติคือรู้สึกตัวหรือเปล่าในความรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวก็มีสติในความรู้สึกตัว มันก็มีศีลมีความเป็นปกติมันก็มีอะไรหลายหลายอย่างที่ต้องเป็นคุณธรรมครบครบเครื่องครอบจักรวาลมันมีอยู่ในความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเรื่องง่ายๆไม่เหลือวิสัยที่พวกเราจะทำได้การเดินต้อรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวจะทำอะไรก็เป็นกรรมฐานไม่หมดนะ กรรมคือการกระทําฐานคือที่ตั้งที่ตั้งของการกระทำก็ตั้งไว้ที่กายก่อนเบื้องต้นออกมาจากความคิดทั้งระบบเลยเรื่องนี้แหละคือเรื่องที่เราต้องทําศาสนธรรมศา ส, สนพิธีเรามาทำาบัตรจดมลกันอันนี้เกิดทีหลังบัตรวาอารามั น, นเกิดทีหลังศา ส, สนสถานศา ส, สนวัตถุศา ส, สนาบุคคลเกิดก่อน ก็มีบุคคลบรรลุธรรมก็คือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีบุคคลนะที่สนใจมานั่งฟังธรรมก็มีปริพาชพบเจอคนแรกแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ฟังสัจธรรมความจริงเจอเขาเทาองค์นะถามว่าทำไมท่านดูงดงามจังเลยนะท่านรู้ธรรมอันใดใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่าน เาบอกว่าเราคือสมผูตัดรู้ชอบด้วยพระองค์เองปริพายชอบฟังนะแลบลิ้นใส่เดินหลีกหลบไปไม่ฟังสัยธรรมต่อไปหาว่าโอ้อวดก็นา่าเสียด้มีหลายคนที่ได้ฟังธรรมแล้วก็เข้าใจธรรม เช่นัญญากวนัญญาฟังทมแล้วสรุปจะประเด็นได้น้องก็มาใส่ตนแล้วปากว่าเออบรรูุธรรมหลังจากที่ฟังธรรมจักกระเป๋านาสูรนี้แต่รุ่นของเรานี่ 2,600 ปีนะพรองก็ล้มหายตายสูญไปแล้วมันก็เหลือแต่คำเล่าลือคำอ้างตำหรับตำลา ที่ บ, บ, ทบันทึกกันไว้เรียกว่าพัตไตปิดกเวลาเจ็ดวันถ้าเราจะไปศึกษามันก็คงจะไม่ทันมาที่นี่วัดป่าสุโตัวเน้นการปฏิบัติให้เหมือนกับสมัยพุทธกาลเลยที่เขาอ้างกันว่าว่าเจ้าเนี่ยได้ทำความรู้สึกตัวได้ฝึกสติจเจริญสติสติคือการเลิกรู้แล้วก็รู้ตัวเองรู้กายรู้ใจรู้รู ร, รู้นาม เราก็มาทำอย่างนั้นนะวันนี้เป็นวันแรกือการปฏิบัติของกลุ่มประจำเดือนเจ็ดวันเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราตั้งอกตั้งใจกันแล้วก็อาศัยขณะนี้นะบอกพระสงฆ์ด้วยว่าเราก็ปฏิบัติธรรมกันด้วยเหมือนกันจับประเด็นให้ถูก การกระทำาจ ะ, ะเด็นให้ถูกดูกายโดยนาะดยจิตดูธรรมอย่างไรเนี่ยทำให้เป็นให้แตกฉานได้นะให้ทําจนเกิดความมั่นใจในตัวว่าเราสามารถพึ่งพิงได้แน่นอนแก่เจ็บตายพัดพาจากของรักของชอบใจพัฒนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเรารู้เท่ารู้ทันอารมณ์เหล่านี้ได้แน่นอนจาอยาไปหาละเอียดอาจจะย์ใสยอย่างนี้มันก็ได้นะพระคุณเจ้าอาศัยเดินรอบวัดหน่อย มันมีทางเดินตรงไหนพยายามเดินกระจายกระจายกันไปเดินแจงความรู้สึกตัวแล้วมันก็แย่ประโยชน์กับวัดวาด้วยทำประโยชน์ได้กับสถานที่ด้วยเพราะว่าช่วงนี้มันเดินห้าแต่เขาเดินหกแล้วปีนี้มอาจจะแรงอาจจะแรงยาวมันจะมีคนที่ปีน ล, ล้วเข้ามาตีพึ่งช่วยกันนิดหนึ่งดูแลกันนิดหนึ่ง คนภายนอก็เห็นประโยชน์ขยานน้ำผึ้งย่งเมื่อวานมีพระสีลังกาเดินอยู่ก็มีผู้ชายวัยรุ่นสองคนถือมีดแล้วก็ถือรู้สึกจะเป็นกระป๋องอะไรทำนองเนี้ยควหมายถึงว่าแน่นอนะเดาทางได้มาตีผึ้งแล้วตอนเย็นผมได้กินนกพันธ์อีกครั้งนึมาอยู่ที่นี่ยาวต่เล่นแต่กินต่อนอนกัน หลายคนก็ตั้งใจปวัติดีกันอยู่แล้วละในการนุมัตนาแต่ว่าอาศัยธรรมประโยชน์ไปด้วยนประโยชน์ตอนประโยชน์ท่านเดินได้ประโยชน์เป็นการเดินจงกลมแล้วก็ได้ประโยชน์การสถานที่วัดวารามดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคนได้ไมันแก้ทุกคนได้คนเมืองาอาศัยกันมันมีสถานที่แบบนี้หรอกในประเทศไทยสกีที่เป็นที่ปลดปล่อยจิตวิญญาณของคนจากทุกข์เป็นไม่ทุกข์ มันเป็นประโยชน์ทีเดียวกับโลกใบเนี้กร น, นี้สัตว์สาราสิงห์เขก็ได้มาใส่เหมือนกับพวกเราเหมือนกันหนีร้อนมาพึ่งเย็นแล้วก็ปกป้องคุ้มครองก็ได้วยคนมีธรรมะปล่อยให้ทํามันย่ยํายีแล้วไม่ยอมอยแล้วะเพราะฉะนั้นกราบนิมนต์นะครับบอกกับเพื่อนที่ไม่ได้มาทําวัดน้วยเอาพระอาจารย์บอกตอนเช้าตอนเทิดบอกว่าให้ช่วยกันหน่อยทั้งวันนั่นแนะละแบ่งเบนกัน เมื่อวานวัยรุ่นเจอกับพาะสีนังกาพูดกันไม่รู้เรื่องพระสีลังกาก็โทรมาบอกกับพระแจ๊ดแต่ว่าก็ไม่ได้รายงานต่อกันมาจะได้บอกให้คนไปตามดูจะมาดีจะมาลายยังไงแล้วถามไทยกันอันนั้นเห็นว่า <c oughs> พูดมาสมควรแก่เวลาก็จะยุติไปเพียงแค่นี้ะ ขอความขอความผาสุกความเจริญในธรรมก็จงมีแดท่านที่มาร่วมปฏิบัติธรรมในคราวครั้งนี้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนนั้นเธอ